การเข้าเขตพระราชฐานชั้นในมีโทษสิบอย่าง497ภิกษุทั้งหลายในการเข้าไปยังพระราชฐานชั้นในมีโทษสิบอย่างนี้คือวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายพระราชาประทับอยู่กับพระมเหสีในพระราชฐานชั้นในนี้ภิกษุเข้าไปในพระราชฐานชั้นในนั้นพระมเหสีเห็นภิกษุแล้วทรงยิ้มให้หรือภิกษุเห็นพระมเหสีแล้วยิ้มให้ ในข้อนั้นพระราชาจะทรงดำมริอย่างนี้ว่าคนทั้งสองนี้ได้ทำอะไรกันแล้วหรือจะทำอะไรกันแน่นอนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งในการเข้าไปยังพระราชฐานชั้นในวงเล็บสองภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระราชาทรงมีพระราชกิจมากมีพระกรณียกิจมากเสด็จไปหาพระสนมคนหนึ่งแล้วทรงลืมพระสนมนั้นตั้งคันเพราะ การที่พระราชาเสด็จไปหานั้นในข้อนั้นพระราชาจะทรงดำริอย่างนี้ว่าในที่นี้นอกจากบรรพชิตไม่มีใครอื่นเข้ามาได้คงจะเป็นการกระทำของบรรพชิตภิกษุนทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่สองในการเข้าไปยังพระชฐานชั้นในวงเล็บสภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกของมีค่ายังใดอย่างหนึ่งในพระชฐานชั้นในสูญหายไปในข้อนั้นพระราชาจะทรงดำริอย่างนี้ว่า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 จะเป็นการกระทําของบรรพชิตภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่สในการเข้าไปอย่างพระราชฐานชั้นในวงเล็บ5ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกในพระราชฐานชั้นในพระราชะโอรสปรารถนาวงเล็บที่จะปรองพระชนพระราชบิดาหรือพระราชบิดาปรารถนาวงเล็บที่จะปรองพระชนพระราชโอรสทั้งสองพระองค์จะทรงดำริอย่างนี้ว่าในที่นี้นอกจากบรรพชิต ไม่มีใครอื่นเข้ามาได้คงจะเป็นการกระทําของบรรพชิตภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่5ในการเข้าไปยังพระราชฐานชั้นในวงเล็บ6ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก ร, ราชาทรงเลื่อนข้าราชการตําแหน่งต่ําขึ้นตําแหน่งสูงพวกที่ไม่พอใจเรื่องนี้จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีอยู่กับบรรพชิตคงจะเป็นการกระทําของบรรพชิตภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่6 ในการเข้าไปยังพระราชฐานชั้นในวงเล็บ7ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระราชาทรงลดตาแหน่งข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งสูงลงตำแหน่งต่าพวกที่ไม่พอใจเรื่องนี้จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคุกครีอยู่กับบรรพชิตคงจะเป็นการกระทำของบรรพชิตภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่7ในการเข้าไปยังพระราชฐานชั้นในวงเล็บ8ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก พระราชารับสั่งให้ยกกองทัพไปในเวลาไม่ควรพวกที่ไม่พอใจเรื่องนี้จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีอยู่กับบรรพชิตคงจะเป็นการกระทําของบรรพชิตภิกษุทั้งหลายนี่เป็นโทษข้อที่8ในการเข้าไปยังพระชาฐานชั้นในวงเล็บเก้าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระราชารับสั่งให้ยกกองทัพไปในเวลาอันควรแล้วรับสั่งให้ยกทัพกลับเสียในระหว่างทางพวกที่ไม่พอใจเรื่องนี้จะมีความคิด อย่างนี้ว่าพราชาทรงคลุกคลีอยู่กับบรรพชิตคงจะเป็นการกระทําของบรรพชิตภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่9ในการเข้าไปอย่างพระราชฐานชั้นในองเล็บ10ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระเจสถานชั้นในเป็นสถานที่คับขั้งด้วยช้างเป็นสถานที่คับขั้งด้วยม้าเป็นสถานที่ขับขังขบข้งด้วยรถเป็นสถานที่มีรูปเสียงปลีเหนอรถโพธพะ ที่เป็นเหตุแห่งความกาหนัดไม่เหมาะกับบรรพชิตภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษข้อที่สิบในการเข้าไปยังพระราชฐานชั้นในภิกษุทั้งหลายในการเข้าไปยังพระราชฐานชั้นในมีโทษสิบอย่างนี้แล